กราบขอกาดหลวพ่อกลมนะครับแล้วก็ขอกาดพวกเราเปิ้ลซาธรธรมนิกก็ <g år> <g år> ไม่น่าจะพูดแข่งกับเสียงฝนได้เนะก็ <g år> <g år> จะเจริญพรพวกเราปฏิบัติธรรมตามตามวิธีที่พวกเราปฏิบททัติต thi thi กันดีกว่าไหม <g år> <g år> มันไม่ได้ยินเนาะ <g år> น้อปฏิบัติธรรมร่วมกันเชิญนะเชิญเดีย๋ยวถ้าเกิดฝนซาแล้วก็พอมีโอกาสพูดได้ก็พูดนิดหน่อยนะครับยางไงปฏิบัติธรรมกัน ลองดูนะแบบอาจจะได้ยินบ้างตอนที่พระพุทธเจ้าเนาะได้แบบว่าเ็าเรียกเทศนะครับธรรมจักรกับปปัตตานสูตรเนี่ยนะครับคือให้ปัญจวัคคีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้เหมือนกับมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับ มีการใช้สติใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยสำรวจลงไปนะครับที่ภายในกายของตัวเองภายในใจของตัวเองเนี่ยท้ายสุดนครับ ป, จบปัจจุกฏว่าพระพุทธเจ้าแบบว่าเทศเนาะเหมือนกับว่าเทศจบเนี่ยปัญจวัคบบคีนะครับท่านัญญากรทัญญะเนี่ยก็บอกบอกว่าโอ้นะท่านรู้สึกได้เลยนะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งนั้นทั้งปวงเนี่ยก็มีการดับไปเป็นธรรมดาอย่างสมมติถักว่าเมื่อกี้ใช่ไหมพูดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักเนอะใช่หมครับมันก็ทนตกหนักไปตลอดไปไม่ได้หรอกมันน้ามันก็ต้องหมดเนอะอ น, น้ามันหมดมันก็เบาลงใช่หมครับอันนั้นมันเป็นเรื่องเ้าเรียกว่า นะครับเป็นเรื่องของฝนนะครับที่มันก็เป็นอย่างนี้ละมันก็เป็นธรรมดาของมันนะครับพอมีน้ําในอากาศมีความชื้นสูงนะครับก็มีฝนตกลงมาพอมีความชื้นน้อยก็ใช่ไหมครับก็ไม่มีเม็ดฝนแต่ทํานองเดียวกันเนี่ยเราสังเกตไหมว่าพอเวลาที่หลวงพ่อจับไม้หลวงพ่อเริ่มพูดเนี่ยก็เรียกว่าการรอคอยของเราก็จบลงเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมนี่ก็คือมันเหมือนกับ สิ่งที่เรากําลังเหมือนกับว่ารออยู่ก็คือเมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีหรือสิ่งที่เรารอกันอยู่ก็คือเมื่อไหร่หลวงพ่อจะพูดสักทีอะไรเงี้ยนั้นคือตรงนั้นมันก็มันก็มีการจบลงเมื่อมีเหตุที่เหมาะเหมือนกันเหมือนพอเวลาที่หลวงพ่อจับไม้ปุ๊บเนะใช <c oughs> ่ไหม ก, ก, ก็เหมือนกับไอ้การรอคอยของเราก็จบลงไปนั่นการรอคอยที่มันเกิดขึ้นก็ดีการรอคอยที่จบลงก็ดี ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรานะครับก็ได้เห็นได้เห็นส mm <t <t ิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราอาศัยสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นดวงตาเนาะดวงตาสติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดวงตาที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนั้นคือตรงเนี้ยนะครับพอเวลาที่เรา ใช้สติใช้ความรู้สึกตัวสํารวจลงไปในกายในใจเราเนี่ยตรงนั้นอะ่ะก็เรียกว่าเราจะมีก็เรียกว่าการเห็นที่ถูกต้องเนาะก <c oughs> ็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการเห็นที่ถูกต้องคือเราเห็นออกไปข้างนอกเนี่ยมันเห็นไม่ถูกต้องนะ <c oughs> อย่างหลวงพ่อเนาะก็เรียกว่าสายตาเนี่ยเอียงครับเอียงมากๆ นั้นเวลามองเห็นเสาเนี่ยเสามันจะโค้งสักนิดนึงหลวงพ่อว่าเสามันไม่โค้งหรอกแต่ว่าด้วยตามันเอียงอ่ะมันเห็นแบบนั้นละ่ะเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยการเห็นเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่การเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราตรงเนี้ยเรารู้สึกได้เลยการรู้สึกตัวของเราตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการเห็นนะชัดเจนนะอย่างนั้นเรารู้สึกได้เลยไหม ว่าเรากําลังแบบว่านั่งสบายๆเรารู้สึกได้เลยไหมว่าอตอนนี้เรานั่งไม่ถนัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเรารู้สึกลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนั้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราแต่ละคนแต่ละคนมีสิ่งที่ภายนอกเนี่ยเราอาจจะกําหนดไม่ได้นะครับฝนจะตกแดดจะออกเนี่ยกำหนดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะกําหนดได้เลยก็คือการกําหนด ที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายของเราแล้วก็ในใจของเราตรงนี้ละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากำหนดรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะเห็นนะครับเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็ได้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็ได้ ตอนนั้นเขาเรียกว่าเราก็มีดวงตาเนาะที่จะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นบ่อยๆก็คือการที่เราเข้าใจนะครับเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆมาปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆเห็นแล้วเราก็ต้องเห็นรายละเอียดของเขาเข้าใจกันอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อคเขียนเนาะได้ปฏิบัติปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนนะครับอาศัยความรู้สึกตัวนะครับผ่านการเคลื่อนไหวนะครับเราเคลื่อนไหวครั้งหนึง่งเราคอยกลับมารู้สึกที่กายของเราหรือที่ใจของเราก็ได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับข้างนอกจะเป็นอะไรนะครับไม่มีไม่มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่า สติและความรู้สึกตัวก็อยู่กับเราการเคลื่อนไหวเราก็สามารถสร้างขึ้นเราจะมีแรงน้อยมีแรงมากนะครับเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไข้เป็นหวัดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยการสร้างความเคลื่อนไหวเล็กๆไน้อยเนี่ยสามารถทําได้นะครับอาจารย์กมพลเนาะนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อกมเสียนเนี่ยท่านเป็นอมภารมีความเคลื่อนไหวได้นิดเดียวเท่านั้นเองท่านก็อาศัยความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอยที่ท่านมีเนี่ยครับ กลับมานะครับคอยกลับมารู้สึกนะครับไปกับร่างกายแล้วก็รู้สึกไปกับจิตใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทําให้เกิดการเข้าใจนะครับทำให้เกิดการเข้าใจการเข้าใจตรงนี้ก็เราจะเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็ได้นะนะครับแล้วก็เกิดการหลุดพ้นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนนะครับที่นี่หลวงพ่อคเขียนจะมีภาษาที่เรียกว่า ไม่เป็นอะไรกับอะไรหลุดนะครับหลุดออกมานะครับจากสิ่งต่างๆนะครับอะไรกับอะไรที่มันเคยเป็นเคยติดข้องอยู่เนี่ยก็หลุดออกมาพ้นออกมาตรงนั้นหลวงก่อเขียนก็เหมือนกับว่ามาสร้างนะครับวัดป่าสุกโตเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมการสร้างวัดป่าสุกโตให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมก่อนหลวงพ่เขียนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าได้พยายามที่จะปลูกต้นไม้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่ามีนะครับมีร่มมีเงาให้เกิดสัปเพยะเป็นสัพเยะสถานแล้วก็ตรงนี้ถึงวันนี้นะครับสุกโตก็เป็นสัพเยะสถานที่หลวงพ่าว่าในสายตาหลวงพ่อนะหลวงพ่าว่าดีที่สุด ดีที่สุดเ่าะอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่กลางคืนขึ้นมานะครับใช่ไหมครับหรือจะเป็นกลางวันยังไงก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าที่นี่เนี่ยมีความสงบสงัดที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นเรื่องของสถานที่นะครับที่นี่มีคําสอนนะครับของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเทียนของหลวงพ่อคาเขียนนะครับของพระอาจารย์เป็สาร น, นะครับแล้วก็ของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ย เยอะนะครับอาจจะได้ยินได้ฟังอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้สัมผัสตรงนี้นะร่รก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความพร้อมอันหนึ่งของสุกโตสุกโตไม่เคยขางนะครับ น, นั้นอากาศที่นี่ก็ดีอาหารที่นี่ก็ดีสถานที่ที่นี่หลวงพ่อว่าก็เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆนั่นคือตรงนี้นะครับว่าเรานะครับพวกเรามาอยู่สุกโตกัน สุกโตก็ให้เป็นบ้านของเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลวงพ่อเขียนเคยพูดนะครับบอกว่าสุกโตเนี่ยพระเนี่ยเป็นแค่เฝ้าสถานที่เท่านั้นแหละเพราะว่าโยมอ่ะเข้ามาสร้างไว้ให้แล้วพระก็คอยแบบว่าคอยดูแลสถานที่เนาะคอยปลูกต้นไม้ต้นไร่เก็บกวาดอะไรต่างๆานานาเหล่านี้ mm. ก็เป็นเรื่องที่อันนี้หลวงพ่อก็พูดพูดจริงๆแ ว, ว่านั่นคือ จะเป็นไม้แต่และชิ้นจะเป็นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จะเป็นปัจจัยต่างๆนะครับโยมก็ช่วยกันสนับสนุนให้ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสัพปพ ะ, ะสถานนะครับก็ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามานะครับลื่นลมกับสัพปพ ะ, ะสถานตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราได้นึกนะครับระลึกขึ้นได้เสมอๆว่าที่นี่เป็นบ้านของเราจะมาเมาาื่อไหร่ก็ได้นะครับจะมาตอนไหนก็ได้ที่นี่ มีที่อยู่นะครับที่นี่มีอาหารแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีวิธีการปฏิบัติธรรมที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ก็เรียกว่าไปถึงความไม่ทุกข์ได้สัมผัสความไม่ทุกข์กันทุกๆคนเนาะพอดีก็ฝนหยุดฝนหยุดตกพอดีเดี๋ยวพวกเราก็กลับพระพร้อมกันแล้วก็จะได้กลับไปยังสถานที่ของพวกเราพวกเรากันเนาะสาธุ